เหมือนเด็กสวดมนต์ได้อิติปิโสพระว า, าระหังก็ว่าไปเรื่อยนะถึงไหนถึงไหนอะไรเอ๊ะทำไมมันต่อไม่ได้อย่างเงี้ยแต่พอพอมีปัญญาประกอบปั๊บมันจึงจะต่อได้เพราะวิปัสนาทั้งหลายเจริญได้แม้แต่จิตที่เป็นญาณนะวิปยุทธส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปอันนี้ปัญหาข้อที่สที่บอกว่าชื่อว่าวิญญาณวิญญาณอันนี้หมายถึงวิปัสนาวิญญาณเนี่ยนะวิปัสนาวิญญาณเนี่ยที่ทำกิจพิจารณาสังขาร ถ้ายกเวทนานุปัสสนามาเนี่ยนะพิจารณาสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเนี่ยอันเนี้ยกายานุปัสสนาชื่อว่ากล่าวไหมจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาชื่อว่ากล่าวไหมทีนี้เมื่อก่อนหนะ้าเนี่ยปัญหาที่หนึ่งเนี่ยเขบอกว่าชื่อว่าปัญญาสามเพราะไม่รู้อริยสัจปัญหาที่สองชื่อว่ามีปัญญาคนมีปัญญาเพราะรู้อริยสัจ ทีนี้รู้อริยศาสตร์เนี่ยนะก็รู้ชาติวันนี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้ววิปัสนาเนี่ยนะไปกําหนดรอบรู้เนี่ยกําหนดรอบรู้อะไรก่อนพระมหากุฏิตะเลยถามว่าถามวิปัสนาวิญญาณที่ไปรู้แจ้งเนี่ยพระมหาภาษ า, ารีบุตรก็เลยตอบเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยนะสำนวนของท่านเนี่ยบางทีถา้าบางบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ภาษาเราตรงๆเราก็ยากที่จะ เข้าใจของท่านเหมือนกันแต่ที่จริงเราก็พยายามดูอัตถกาถาแล้วก็ว่าไปตามอัตถกาถาบางคนก็บอกเอ๊ะท่านเอาจากไหนมาอ่านเนี่ยนะบางทีก็อ่านจากอัตถกถาเนี่ยนะอ่านสรุปไปเลยเนี่ยนะเพราะถ้ามานั่งชี้อักษรก็คงดูท่าจะมันใช้เวลามากไปหน่อยเนี่ยนะ <c oughs> นี่มาขึ้นปัญหาที่สี่เลยพระมหาโฏธิตาก็ถามว่าท่านพระสารีบุตรธรรมะคือปัญญาที่เรียกว่าความรู้ชัดเนี่ยนะ ปัจจานาติและวิญญาณที่ชื่อว่าวิชานาติเหล่านี้มันคละกันหรือว่ามันแยกกันเออคำถามเข้าประเด็นใช่ตอนแรกเขาบอกว่าชื่อว่าปัญญานี่มันรู้อะไรปัญญารู้อะไรรู้อริยสัจพอวิญญาณรู้แจ้งสุขทุกข์เอาแล้วปัญญากับ ว, วิญญาณเนี่ยนะปัญญาก็คือปชานาติใช่ไหมปัญญานี่ก็คือปัจจานาติพอวิญญาณท่านบอกว่าวิชานาติ ไอ้ปัญญากับวิญญาณเนี่ยนะสังสัทธะมันคละกันหรือว่าวิสังสัทธะมันแยกกันอยู่เพราะฉะนั้นอพอจะแยกแยะได้ไหมแล้แยกแล้วก็บรญญาติออกมาให้มันแตกต่างออกไหมแยกออกมาได้ไม่ระหว่างปัญญากับวิญญาณภาษาริบุตรก็บอกว่าปัญญาที่เรียกว่าปัจฉานาติและวิญญาณที่ชื่อว่าวิชานาติเนี่ยนะมันคละกันแยกกันไม่ได้หรอก และเราก็จะแยกแยะเหล่านี้แล้วบัญญัติให้มันแตกต่างก็ไม่ได้ด้วยเนี่ยนเอาไม่เชื่ออย่างงี้นะใครเคยแบบทานต้มยํากุ้งบ้งางอ่ะกระต้มเคี่ยวเออเคี่ยวให้มันดีให้มันเข้ากันสนิทเลยนะแล้วแยกเอาความเปรี้ยวความเค็มความเผ็ดแยกออกมาจากกันใครแยกมาได้บ้งางอ่ะใช้ลิ้นตัวไหนมาแยกอ่ะเนี่ยอันนี้เปรี้ยวอนะ เรีว่าเอามาละลายที่แผ่นลิ้นเนี่ยนะแล้วก็แยกออกมาเนี่ยนะแล้วก็คัดคๆอันนี้เปรี้ยวนี้เค็มนี้กลิ่นตะไครนี่กลิ่นขานี่เครื่องเทศนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะแยกออกมาได้ใช้แผ่นลิ้นแยกได้ไหมเอาลิ้นมันรู้รสเนี่ยมันรู้เปรี้ยวรู้หวานรู้เค็มเป็นต้นใช่ไหมมันรู้ใช่ไหมรู้แยกได้ไหมไม่ได้เราจะแยกปัญญากับวิญญาณออกจากกันได้ไหมแยกกันไม่ได้เพราะจึงแยกออกจากกันไม่ได้แล้วมาบัญญัติให้แตกต่างกันไม่ได้ เขมาพูดถึงตรงนี้เขาทำให้นึกขำเนี่ยนะเมื่อก่อนเขก็เล่ามีคนเขาชอบรอแต่มาบอกท่านเนี่ยเจริญวิปั ส, สนาแบบพวกนี้มันวิปัสนึกคือนึกเอาทั้งนั้นแหละก็ว่ากงั้นคิดเอาอะก็ผมมีจิตเนี่ยผมยังไม่ตายผมก็มีจิตผมก็คิดละมั่งเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามสูตรหลักการก็มีอยู่ว่าปัญญากับวิญญาณมันแยกกันไม่ได้เราจะยกอะไรขึ้นมาก่อนมันก็เหมือนกันนั่นแหละก็บอกโอ้ยนี่คิดเอาทั้งนั้นบอกนี่มันไม่ใช่ปัญญาอารู้ได้ยังไงว่ามันไม่ใช่ปัญญา คุณแยกปัญญาออกจากจิตได้ไหมล่ะภาษาริบทบทบอกผมแยกไม่ได้ไนะบอกว่าแยกปัญญาออกจากจิตก็ไม่ได้แยกจิตออกจากปัญญาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าอาวุโสเพราะอันใดเป็นปัญญานาติรู้ชัดอันนั้นก็เป็นวิชานาติรู้แจ้งอันใดเป็นวิชานาติรู้แจ้งอันนั้นก็เป็นวิชานาติรู้ชัดเพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้มันคลังกัน แยกจากกันไม่ได้เนี่ยนะเราจะแยกแล้วบัญญัติให้มันแตกต่างออกจากกันไม่ได้ว่าโอ้ยนี่มันต้องคิดปัญญามันต้องคอยให้มันเกิดเองโผล่ขึ้นมาเองไม่ต้องคิดไม่ใช่หรอกมันก็คิดไปเดี๋ยวปัญญามันก็เกิดเองแหละถ้าเกิดความคิดได้เดี๋ยวมันก็เกิดปัญญาถ้ามีปัญญาได้มันก็คิดได้ปัญหามันคิดหรือหรือเปล่าแค่นั้นแหละสนใจตรงนั้นมากกว่าบางคนก็บอกว่าเออแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้จริงสักทีหนึ่งหมดแต่คิดคิดคอยู่อย่างเงี้ยเออถ้าไอรู้จริงนี่มันเป็นยังไง นะเพราะนนั้พยายามสำคัญที่สุดก็คือว่าใส่ใจในคําสอนให้เยอะๆเธอพิจารณาคําสอนไปมากๆเดี๋ยวพอจิตสัมผัสเรื่องนั้นมากปัญญามันก็เจริญเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันต้องไปหนักใจว่านี่มันปัญญาหรือมันคิดเอาเป็นต้นเนี่ยนะปัญหาว่ามันคิดอย่างนั้นจนเป็นจิตแท้ๆของเราเลยไหมเป็นทัศนคติของเราอย่างนั้นตลอดเวลาอยู่หรือเปล่าสําคัญมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในคําตอบอธิบายคําถะ ปัญหาที่สี่ในหน้า299ย่อโยนหน้าบอกว่าคละกันเนี่ยที่ว่าสังสัทธะเนี่ยนะพระสารีพระมหาโกธิตะถามว่ามันคลากันเพราะอะไรคือมันคลากันเพราะเอกกปปาทานิโรธาจะเอกาลัมพนะวัตถุกา แปลว่าวิญญาณกับปัญญาเนี่ยมันคล้ากันโดยเอกุปปาธาแปลว่าเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีวัตถุเดียวกันมีอารมณ์เดียวกันหรือว่าปัญญากับวิญญาณเนี่ยมันมันต่างคนต่างเกิดปัญญามันอยากเกิดมันก็เกิดมันเองวิญญาณมันอยากเกิดมันก็เกิดของมันเองต่างคนต่างแล้วแต่เป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวเนี่ยนะภาษารีบทก็ว่าอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นนะนะอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นที่นี่ มันเป็นเรื่องที่น่าคิดเนี่ยนะว่าปัญหาที่สองเนี่ยนะพระมหาโกธิตถามว่าที่ชื่อว่าปัญญาเนี่ยเพราะอะไรจึงชื่อว่าผู้มีปัญญาคนมีปัญญาคนมีปัญญาคือคนที่รู้ชัดอริยสัจสี่เรียกว่ามีปัญญาเอาแล้วชื่อว่าวิญญาณวิญญาณที่เรียกว่าวิญญาณเนี่อรู้อะไรตรงนี้ยกวิปัสนาวิญญาณวิปัสนาวิญญาณรู้แจ้งทุก ทุกสุขทุกและอุเบกขาปัญหาที่สองเนี่ยนะถามว่าคนมีปัญญาเน้นมัคคปัญญาสาที่เรียกว่าวิญญาณเน้นวิปัสนาวิญญาณตรงนี้เนี่ยนะในอัตตกะฐานหน้า299เนี่ยท่านแยกให้ฟังว่าถ้าพูดธรรมะเนี่ยนะการพูดธรรมะเนี่ยมันมีอยู่สองระดับด้วยกันผู้ระดับโลกิยะและระดับโลกุตระ แบ่งออกเป็นสองอย่างนะคำพูดระดับโลกียะและโลกุตระโลกียะเนี่ยนะถ้าโลกียะเนี่ยพระพุทธเจ้ายกจิตขึ้นเป็นประธานระดับโลกียะนะอย่ยาว่าอย่าว่าภาษาทีบสถ์เลยพระพุทธเจ้าเวลาแสดงโลกิยะธรรมยกจิตขึ้นเป็นประธานพอแสดงโลกุตระธรรมยกปัญญาขึ้นเป็นประธานแต่ถามว่าในขณะที่วิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นขณะนั้นมีจิตเกิดร่วมด้วยไหม กิขณะที่โลกุตระปัญญาเกิดขึ้นจิตเกิดร่วมด้วยไหมมรรคจิตเกิดร่วมด้วยไหมเกิดนี้ถามว่าขณะที่ตัววิปัสตัววิญญาณที่เป็นวิปัสนาเกิดขึ้นปัญญาเกิดร่วมด้วยไหมเกิดโลกุตระวิญญาณเกิดขึ้นเนี่ยนะตัวสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระเกิดด้วยไหมเกิดเนี่ยนะแต่เวลาแสดงเนี่ยนะก็เรียกว่าต้องรู้จักสมัยอย่างพระมหาโกธิตะถามเนี่ยถามแบบคนรู้จักสมัย รู้จักว่าถ้าโลกิยธรรมต้องยกวิญญาณขึ้นเป็นประธานถ้าโลกุตระธรรมต้องยกปัญญาขึ้นเป็นประธานเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าถามอย่างผู้รู้จักสมัยเนี่ยนะคือคือเรียกว่าเป็นคนที่ถามแบบคนมีปัญญาคือเข้าใจกติกากฎเกณฑ์ของคําสอนเป็นอย่างดีว่าถ้าพูดโลกิยะยกวิญญาณเป็นประธานถ้ายกโลกุตระยกปัญญาขึ้นเป็นประธานเพราะที่ไหนยกปัญญาปั๊บที่นั่นต้องรู้อริยสัจใช่ไหม เทนั้นต่อโดยมากจะต้องรู้อริยสัจเนี่ยนะให้รู้ว่าจะไม่พูดแบบรู้แบบทั่วๆไปง่ายๆหมกไม่สัมมาทิฏฐิรู้อะไรรู้อริยสัจอย่างสัมมาทิฏฐิสูตรที่เราเรียนมาก่อนหรือสูตรใดที่พูดถึงปัญญาโดยมากก็ยกแต่ความรู้ระดับอริยสัจเพราะที่ไหนแสดงปัญญาเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่แสดงว่านั้นผู้ระดับโลกิตกุตระถ้าพูดวิญญาณเป็นใหญ่แสดงว่าเป็นการแสดงแบบโลกิยะเนี่ยนะ ทีนี้พระมหาโกธิตาท่านถามว่าแล้วปัญญาปัญญากับจิตเนี่ยมันคละกันหรือว่ามันแยกจากกันเพราะว่าแต่ทีนี้ตรงนี้หนังสือฉบับนี้เนี่ย เ, ยเขามาอ่านยากยากเพราะเขาแปลออกมาหมดเลยไอการแปลทุกคําหมดก็ไม่ดีเนี่ยนะไอทับศัพท์มากเกินไปมันก็ไม่ดีตรงนี้เช่นความรู้แจ้งกับผลทางเนี่ยก็คือวิญญาณกับมรคนะในความรู้ชัดใน ก็คือความรู้ชัดเป็นชื่อของปัญญาทับศัพท์ไว้หน่อยจะดีมากเลยเข้าใจง่ายแต่จริงอะ่ะเนื่องจากว่าเขาเขาเขาแปลออกหมดเลยเข้าใจยากแต่ว่าเขามาจะอธิบายแบบ <c oughs> แบบแปลทับศัพท์เนี่ยนะจะไม่อธิบายแบบแปลออกหมดมือนกันจะยุ่งหมดเอาหนทางเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรเอกไมยรามอินทราโนนะอะไรนะสุคุมวิทย์ผลโยทินเป็นต้นว่าหนทางนี่ใช่ไหมแต่ตรงนี้หมายถึงมาร์กเนี่ยนะหมายถึงมาร์กสรุปว่าวิญญาณกับ วิญญาณในมรรคหรือว่าเรียก ว, ว่าปัญญาในมรรคกับปัญญาที่เกิดร่วมกับวิปัสนาเนี่ยนะคือจะระดับมรรคหรือระดับวิปัสนาก็ตามปัญญามันก็ไม่แยกจากการหลอกเนี่ยนะคือโลกิยะวิปัสนาทั้งหลายก็เกิดร่วมกับจิตโลกุตระวิปัสนาก็เกิดร่วมกับจิตปัญญาไม่แยกจากจิตจิตก็ไม่แยกจากปัญญาแต่คนที่รู้หลักการกฎเกณฑ์เขาจะบอกว่า พูดโลกิยโลกิยธรรมยกจิตเป็นประธานพูดโลกุตระธรรมยกปัญญาขึ้นเป็นประธานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทั้งสองสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งในขณะโลกิยมรักและโลกุตระมรักเพราะฉะนั้นขณะสมถาวิปัสนาเกิดร่วมกันเนี่ยนะปัญญามันก็เกิดด้วยกันนั่นแหละแยกกันไม่ออกหรอก และไม่มีใครจะแยกแยะสามารถที่จะแยกแบ่งแผนกพลิกแพลงแสดงให้เห็นว่ามันต่างกันโดยอารมว่าเออเนี่ยปัญญามันจะรู้อารมณ์หนึ่งวิปสัสปัญญานี่รู้อารมณ์หนึ่งจิตมันรู้อารมณ์อีกอย่างหนึ่งไม่ได้แยกโดยอารมณ์ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตรู้สีปัญญาก็พิจารณาสีนี่น ถ้าจิตรู้เสียงปัญญาก็พิจารณาเสียงถ้าจิตรู้ภาษะเวทนาปัญญาก็พิจารณาภาษะถ้าจิตรู้วิญญาณรู้สุขรู้เวทนาเนี่ยนะปัญญามันก็พิจารณาตามจิตพราะอารมณ์เหล่าใดที่จิตตั้งอยู่ปัญญาก็ตั้งอยู่โดยอารมณ์นั้นมันวัตถุใดที่จิตตั้งอยู่ปัญญาก็เกิดโดย โดยวัตถุที่ตั้งอันนั้นเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันมีอารมณ์เดียวกันมีวัตถุเดียวกันเนี่ยนะก็คือเอกุปปาธาเนโรธาจะเอกาลัมพนาวัตถุกาเนี่ยนะก็คืออยู่ในกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าจิตกัจเจตสิกแยกกันไม่ได้เนี่ยนะเกิดร่วมกันคละกั น, กนเนี่ยนะเรียกว่าสัมปยุตตะปัจจัยแต่ตรงนี้ใช้คําว่าสังสัทธะเนี่ยนะแปลว่าคละเคล้ากันไปแต่ธรรมดาว่าอื มันมีอารมณ์ของสิ่งนั้นนั้นมีอยู่ยกทวนอีกครั้งหนึ่งบอกว่าจริงอยู่เมื่อบรรลุสิ่งที่เป็นโลกิยะจิตย่อมเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานอัลโสรุว่าถ้าถ้าแสดงแบบโลกิยะ ป, ป, ปัญญาเป็นหัวหน้าถ้าแสดงแบบโลกุตระแสดงแบบโลกิยะจิตเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่ถ้าแสดงแบบโลกุตระปัญญาเป็นหัวหน้าปัญญาเป็นใหญ่จริงอย่างนั้นยกอุทาหอนมายกตัวอย่างให้ดูว่า พุทธพจน์แบบนี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกมากเช่นพระพุทธเจ้าจะไม่ถามว่าภิกษุเธอบรรลุความรู้ชัดชนิดไหนเป็นความรู้ชัดชั้นต้นหรือความรู้ชัดชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่ 4. แต่แตรัสถามด้วยอำนาจจิตว่าภิกษุเธอมีจิตอย่างไรอนนัคือคออตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าระดับโลกิยธรรมเนี่ยพระองค์จะไม่ถาม โดยที่ยกปัญญาขึ้นมาเป็นประธานแต่จะยกจิตขึ้นเป็นประธานน่ยนะพระองค์จะยกจิตขึ้นเป็นประธานในระดับโลกิยะทั้งหมดเช่นตัวอย่างว่าเธอคิดอย่างไรคืออย่างเช่บอกว่าเออเนี่ยเธอเธออวดอุตริมนุสธรรมว่าเธอเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพผ้านาคามีหรือเป็นพผ้าหันเนี่ยอย่างในอุตริมนุสธรรมก็บอกว่าคือภิกษุบางรูปท่านสําคัญว่าเป็นพระอรหันต์เป็นต้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะถามว่าแล้วเธอคิดอย่างไง เขาบอกว่าถ้าคิดอย่างนั้นจริงๆด้วยเข้าใจผิดคิดว่าบรรลุก็ไม่เป็นอบัติจะถามว่าคิดยังไงเนี่ยนะคือคือสําคัญว่าเธอคิดอะไรล่ะเธอคิดยังไงอย่างเช่นบอกว่าเนี่ยภิกษุบางรูปเหมือนไปขโมยของคนอื่นเป็นต้นเนี่ยนะอย่างเช่นไปถือเอาผ้าของคนอื่นมาแล้วเขาโจดว่าเป็นปราชิกพระพุทธเจ้าวัดแล้วเธอตอนจับเธอคิดยังไงเธอคิดยังไงจึงเอาของคนอื่นมาเนี่ยนะ พระองค์จะไม่ถามโดยยกอย่างอื่นขึ้นเป็นประธานเช่นว่าเธอมีภาษะอย่างไรไม่ถามจะถามว่าเธอคิดอย่างไรนะจะไม่ถามว่าเธอมีภาษะมีเวทนามีสัญญามีเจตนาอย่างไรจะไม่จะยกว่าเธอคิดอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่พระองค์บัญญัติกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมในโลกิยะธรรมทั้งหลายจะบัญญัติด้วยจิตอย่างเดียวเท่านั้นอ่า น, นะโลกิยะทั้งหลายเนี่ยนะโลกิยะเนี่ย จะยกจิตขึ้นเป็นประธานเช่นทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สาเร็จแล้วแต่ใจถ้าบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายแล้วพูดอยู่ก็ตามานะคิดอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามเนี่ยนะความทุกข์ย่อมติดตามตัวเข้าไปเหมือนล้อเวียนที่หมุนไปตามรอยเท้าโคชนั้นเพราะฉะนั้น แม้กระทั่งว่าอภิธรรมเนี่ยนะกามาวจรังกุสลังจิตตังอุปนังหูเตโสมณัสาสะกตังญาณสัมปยุตังรูปารมณังว่าเป็นต้นน่ยนะก็จะยกว่ากามาวจรกุศลจิตที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไงอ่า น, นะกามาวจรกุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยนะโสมณัสาสะกตังประกอบด้วยโสมณัตยานสัมปยุตังมีปัญญาประกอบเนย่านะ อสังขาริกังไม่มีการชักชวนรูปารมณังวากุศลจิตบางนี้อย่างนี้เนี่ยบางทีมีรูปเป็นอารมณ์บางทีมีเสียงเป็นอารมณ์รูปารมณังวาสัทธารมณังวาคันธารมณังวาราสารมณังวาบางทีมีรูปเป็นอารมณ์บางทีมีเสียงมีกลิน่นมีรสมีโพธิภาพมีธรรมารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเช่นบัญญัติเป็นต้นเนี่ยนะ